จงังสร้างมีความสงบทุกคนก็ให้นั่งตามปกติให้ทำกายให้สบายทำจิตให้สงบต่อไปนี้เป็นเวลาที่พวกพุทธบริษัททั้งคระหัสเจ้าปัญญาชิตทั้งหลายจะได้ตั้งใจรับโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยความเคารพในวันนี้ในปลาลบซึ่งอ่า ศรัทธาอามาจากรุงเทพพระนครซึ่ ง, งมีทุนอคมซึ่งเป็นประธานนำคณะนะมามากพอสมควรเพื่อจะมาทอดผ้าป่าณนะวัดหนองประพงในวันนี้เมื่อ ทมกิจอนไรเสร็จแล้วเป็นโอกาสที่ว่าต่อไปเพื่อจะได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเนื้อหาอันสาระแก่พวกพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปการฟังธรรมในครั้งพุทธกาลนั้นก็คงจะไม่มีวิธีรีดองอะไรมากมาย นอกจากผู้ที่แสดงธรรมกับผู้ที่รับฟังธรรมสองอย่างนั้นติดต่อกันเมื่อคนผู้จะตั้งใจฟังธรรมและผู้ให้ธรรมะก็มีกําลังใจที่จะให้ธรรมะเปรียบประนึงว่าเราจะให้วัตถออุอันใดของอันใดอันหนึ่งแก่บุคคลในคนหนึ่งเป็นต้น ในความพอใจมีจิตนาอันดีเมื่อผู้ที่รับก็พอใจที่จะรับทั้งสองฝ่ายตัวเรียกว่ามีอรรมณิปิกรมเกืนซึ่งกันในการเหมาะสมกับการฟังธรรมะหรือเหมาะสมกับการที่จะให้ของหรือรับของเช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นตมาจึงไห้เตือนใจว่าวันนี้เป็นวันที่สาคัญ อย่าภาคันต์นทําใจให้ร้อนบางคนก็จะกระสับกระสายในใจว่าวันนี้มีอุปสรรคมากการมาสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้น่าจะไม่มีอุปสรรคแต่ว่าเกิดมีอุปสรรคขึ้นบางท่านอาจจะสงสัยว่า อ, อืว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรกันเนี่ยอ อ, อันนี้ขอให้เห็นว่า เรื่องอุปสรรคนั้นนั่นแหละเมื่อมีอุปสรรคทุกครั้งเราจะดมีความอดทนทุกครั้งเมื่อมีอุปสรรคทุกครั้งเราทางหลายจะมีปัญญาทุกครั้งพระผู้มีพระภาค ต, ตรัสว่าเมื่อเราทําประโยชน์มันจะยากมันจะลาบากเท่าไรเราก็ไม่กลัวมัน เพราะว่าเราสร้างประโยชน์ที่ดีนะเราทำประโยชน์ที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่ตนได้บุคคลที่ทั่วไปมีเจตนามุ่งหมายเช่นนี้แล้วถึงแม้มีความยากมีความลาบากมันก็ยังมีส่วนดีอยู่เพราะเรามีเจตนาอันดีมุ่งการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องเช่นนี้ แม้ว่าทุกทางกายใจมันก็ยังเป็นสุขเป็นเช่นนั้นดีกว่าบุคคลที่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ลำบากมากแต่ใจก็ยังเป็นทุกข์นอกจากกายเป็นทุกข์แล้วใจก็ยังเป็นทุกข์อีกต่อไปให้เราสร้างประโยชน์ที่ดีประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นทั่วไป้วยจิตนาอันดีถึงแม้มันจะทุกข์กาย หมดอันตรายไปแล้วใจเราก็ยังมีความสุขก็เปลี่ยนฉันนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นแต่ตัวพวกเราทางดายนี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ว่าฟันอุปสรรคอันนี้มาตลอดการตรอดเวลาถ้าไม่มีอุปสรรคนะไม่มีอุปสรรกก็ไม่มีกำลังใจ ก็ไปแต่ปฏิบัติธรรมเมื่อมันทุกข์ตรงไหนก็พยายามพิจารณาตรงนั้นฉะนั้นทุกนี้พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญยิ่งเนแต่คนผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่สรรเสริญเลยทุกเนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงจัดว่าทุกข์ขัดทุกนี้เป็นสัจธรรมถ้าเมื่อเกิดทุกข์เมื่อใด พระพุทธเจ้าของเราสบายเหมือนนั้นมีปัญญาเหมือนนั้นเช่นทันรบกัพยามาณนี่ศึ่งเป็นประศักด์ขัดขวังไว้ท่านชนะทุกทีทำไมท่านชนะทุกทีก็ท่านได้ปฏิบัติทุกทีท่านก็มีปัญญาได้ชนะทุกทีอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันวันนี้เรียกว่าเราไปพบกันใช่ซึ่งว่า อริยสัจคือทุกขสัจคือของจริงเช่นนี้ไอ้พวกเราควรประกันนึกถึงผุญพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี้ยท่านพบทุกขสัจ ท, ท่านพิจารณาในทุกอันนั้นท่านที่มีความอด ท, ทนชนะมารทั้งหลายทั้งปวงเพราะการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอพุทธบริษัทวันนี้จงมีความเข้าใจในการการะทำของเราทุกๆคนแต่อาตมาก็ เห็นความลําบากลําโบน้องญาติโยมทั้งหลายซึ่งเดินมาจากทางไกลเป็นอันมากเหมือนกันแต่ว่าก็มีการดีใจส่วนหนึ่งที่มากที่สุดเหมือนกันมีความอุตสาห์พยายามมาต่างต่โน้นมาถึงนี้เป็นระยะทางหลายร้อยกิโลนะอันนี้เรียกว่ามารู้จักทากันจริงๆริงไม่ใช่มาไม่ใช่มาหนเดียวใช่ไหมามามาบ่อยใช่ไหมนะ อันนี้เห็นว่าญาติโยมมาริทธาอันตรีประกอบด้วยปัญญายจริงๆนี่ชวนกันมาท้อมใจกันมานี่เห็นประโยชน์เพราะว่าเห็นประโยชน์ในอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ญาติโยมที่ทําไปนี้ดีกว่ามาสแสบงใหม่หาอริยทรัพย์อริยทรัพย์ทรัพย์อันนั้นเป็นทรัพย์ภายในไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกแต่เดิมมันก็เป็นทรัพย์ภายนอก เปี่ยนเขาเป็นทรัพย์ภายในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายเอาทรัพย์ภายนอกมาเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์ภายในอันนี้มันจะพ่นจากพุตธกะภยัยวัตถะไพรโยระไพตามไปไม่ได้เอาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันนี้เอาออกจากข้าสึกแล้วน้ําท่วมลมพัดไฟไหม้อันตรายต่างๆ อันตรายทางหลายเ้านี่เข้าไม่ถึงแล้วเพราะว่าเขาถึงจุดมันคือที่ความสบายใจหรือความดีใจที่ฝังไว้ในวิญญาณอันนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงเรียกว่าบุญมันไม่อยู่ภายนอกจับข้มาข้างในซะท่านจึงจัดเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในน้ำทั่วไม่ได้ ไว้ไม่ได้โจนลักไปไม่ได้ส่วนนี้โยมจะสบายส่วนที่บริจาคไปวันนี้เก็บไปทีมันดีๆแล้วพ้นอันตรายแล้วสบายใจอันนี้เรียวกว่าความสบายใจเนี่ยะมันไ ม, ม่มีโทษอะไรฉะนั้นการบริจาคนี้ท่านเรียกว่าไอ้ปราบเจดิตส่วนหนึ่งซึ่งที่ว่าตัวโรภะไอ้ซึ่งมันทำใจเราให้หมั่วมอง เมื่อกิจวัวหมองแล้วทำํำไปได้ทุกประการฉันนั้นการกระทามันนี่ของญาติโยมทั้งหลายเป็นไปนในตำนองอันนี้แต่อย่างไรก็ตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าการให้ทานการหลักษาสนาการเจริญเมตตาภาวนานั้นรวมกันไปหาจุดอันเดียวจุดอันเดียวคืออันใดจุดอันเดียวอยู่ที่ไหน หยุดอันเดียวเพื่อใจถึงความสงบหาความสงบจากสิ่งตั้งหลายตั้งปวงหีือ่หาความสง บ, จ, สงงงงสงบจุดนี่คือความสงบเมื่อความสงบแล้วเรื่องมันจบก่อนจะสงบนั้นนะ่ะเราจะรู้เรื่องว่าเราจะทํำยังไงใจเราก็จะสงบอย่างนี้เป็นต้น เมื่อจิตเราไม่สงบเราจะทำอย่างไงมันถึงจะสงบถ้าเมื่อจิตสงบแล้วก็ถึงจุดของพระพทมีพระภาคของเรานั้นน่ะที่ท่านต้องการที่สุดแก่พุทธบริษัททั้งหลายนั้นเรื่องที่จิตของเราที่ไม่สงบนั้นเพราะว่าจิตของเรานั้นน่ะไม่ถึงธรรมะอันแท้จริง ไม่ถึงจุดธรรมะอันแท้จริงจิตเรายังโง่อยู่จิตเรายังไม่ฉลาดไม่มีปัญญารู้เท่าตามความจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายสภาวะธรรมทั้งหลายนั่นที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมะอะไรมันเป็นธรรมะทุกอย่างสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีคือของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละที่เรียกว่าธรรมะ จะเป็นรูปที่เรามองเห็นด้วยตาก็ตามนะจะเป็นนามสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ได้ก็ตามเป็นธรรมะกันทั้งหมดเลยทีเดียวนี่เทียวธรรมะเทียว่าสภาวะสภาวะคือความมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นเองของมันอยู่อย่างนั้น แม้พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็าตามไม่บังเกิดก็าตามสภาวะธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นเองไม่แปลไปเป็นอย่างอื่นที่นี่ความไม่สงบของเราทั้งหลายนั้นคือยังไม่ได้ประพฤติทำธธรรเนี่ยปฏิบัติธรรมเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรัตนว่าให้เห็นในถูกต้องเรียกว่าสมาทิฏฐิสัมมาสังกโป สมากมันโตสมาวาจาाสมาวายโมสมาสติสมาจามาธิสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละแปดประการนี้ไม่ใช่มีแปดมันองค์มันองค์ของมรกมีแปดอย่างมรกมีองค์แปดเป็นองค์ของมรนมีอันเดียวคือเอกายมร เป็นมัดทอันเดียวและก็เป็นของบุคคลที่จะสัญจรไปคนเดียวไปผู้เดียวไปแต่ผู้เดียวแต่ว่ามีองค์แปดประกา ร, ระมะเมื่อเรามาเห็นชอบดําดิมันก็ชอบวาจามันก็ชอบการงานก็ชอบเลี้ยงชีวิตมันก็ชอบ ตั้งสติก็ชอบตั้งใจก็ชอบพยายามก็ชอบนี่มันถึงมันชอบที่ตรงไหนมันชอบอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละมันชอบมันจะไปตรงไหนก็ชังมันมันออกจากจิตดวงนี้เห็นชอบออกอจากจิตดำดิชอบประกออกจากจิตเมื่อจิตแล้มันตั้งไว้ชอบแล้วมันจะชอบกันไปหมดนั่นแหละไม่มีอะไรจะไม่ชอบ มักท้งหลายเหล่านี้มันสามะคีกันขึ้นที่หิตใจของเราเห็นนั้นเดียวคือความสงบจุดนี้เป็นทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าให้เดินมักอันนี้เป็นสัมมามักอันนี้เมื่อเราคิดนี่กิจใจสงบเช่นว่าเราถูกอารมณ์อันใดเกิดขึ้นมาถ้าเราเป็นสัมมาถิมีความเห็นชอบแล้ว ทุกอย่างมันชอบทั้งนั้นน่ะไม่มีผิดเพระธรรมมาตันสอนในการปล่อยวางไม่มีอะไรเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นมาในความสุขอันนี้ท่านก็สอนว่าสักวทตสุขทุกเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอันนี้ก็สักวัต ท, ทุกไม่มีใครสุขและไม่มีใครทุกเป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นมาเฉย ท่านเจว่าสักวัตสุสักวัตเจทุกไอ้ความสุขทุกอันนี้มันก็เกิดขึ้นมามีแต่เมื่อเราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติทําแล้วอาการของสุขนี่มันก็เกิดขึ้นมาแต่หากว่าหาเจ้าของสุขนั้นไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของบางทีทุกข์มันก็เกิดขึ้นมามีอยู่แต่ว่าทุกขนั้นไม่มีใครไปเป็นเจ้าของของทุก เรียกว่าสุขหรือทุกข์นั้นมันเป็นมาตามเรื่องของมันเกิดมาตามกิริยาของมันมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นท่านจริงบอกว่าถ้ามีความสุขแล้วก็ให้รู้ตามความเป็นจริงมันเสียว่าสุขนี้กสัจวเต ส, สุขไม่ใช่สัตว์บุตลตัวตรงเราเขาถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ให้รับรู้พิจารณามันว่าทุกข์นี้กสัจวัตทุกข์ข ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาน่ถ้าเราคิดเช่นนี้เก็เป็นสัมมาทิฏฐิเราก็ไม่ได้ไปเป็นเจ้าของสุขนั้นเราก็ไม่ได้ไปเป็นเจ้าของทุกข์ น, นั้นสุขทุกข์นนั้นได้เป็นของที่ไม่มีเจ้าของนะไม่มีเจ้าของถ้าใครกับไปยึดมั่นถือมั่นมั่นว่าไปเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อไปเป็นเกจยวของชิง้นทางหลายเ่านั้นของทั้งหลายเหล่านั้นมันก็มีเที่ยงเป็นทุกมันไหลไปเรื่อยๆไปบางทีมันก็หายไปบางทีมันก็ได้มาเราก็ดีอกแล้วก็เสียใจตามวัตถูทางหลายเหล่านั้นเพื่อว่าอันนี้เกิดความยุ่งขึ้นมาเพราะว่าตัวมิจฉ า, าทิฏฐิมันเข้ามาแทรกมันเขามาแทรกให้มีความเห็นผิดเช่นนั้น เห็นผิดอะไรเราเข้าไปเป็นเจ้าของของสุขเราเข้าไปเป็นเจ้าของของทุกข์เข้าไปแบกสุขอันนั้นไปแบกทุกข์อันนั้นอยู่มันก็หนักอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิในธรรมนองอย่างนี้ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเวทนานี่ก็สักวเวทนาโปรง่งสัสอนอย่างนี้เวทนานั่นคือความเสเวยสุขหรือทุกข์สองประการนั้นเน ถ้ามันเกิดขึ้นมาแต่เวทนานี่สุขเวทนานี่กสัจวัติสุขเวทนาทุกข์ที่เกิดขึ้นมานี่กสัจวัติทุกเวทนาเท่านั้นเกิดแล้วมันก็ดับไปเจ้าของสุขนั้นไม่มีเย้าของทุกข์นั่นมันก็ไม่มีพระพุทธเจ้าจันในพิจารณาอย่างนี้ เ, ออเมื่อเราพิจารณาเข้าไปชนีบ่อยๆนะ เอปฏิโกเรียกจิตเอาเข้ามาดูซิว่าอันนี้คืออะไรอันนี้มันคืออะไรสออไรุกนี้มันคืออะไรทุกนี้มันคืออะไรมันเป็นของแนนอนไหมมันเที่ยงไหมหรือมันเป็นยังไงพิจารณาตามมานันเลยเราพอมองเห็นนี่ว่าสภาวะที่เราเป็นอยู่นั้นอะ่ะเราไปสุกมาไหมเคยมาและมันหายไปมีไหมหายไปมันก็มี เดีวทุกมันเคยมีไหมเคยมีทุกมาทุกโผล่ ว, ว่ามันทุก์ไปตลอดไหมบางทีมันก็หายไปนี่เราจะไปเอาเรื่องเอไรอะไรกับสิ่งทางหลายเหล่านี้นี่ะเป็นอารมณ์อย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เมื่อเรารู้สิ่งทั้งสองประการนี้กิตเราก็สงบสงบสง บ, สงบทําไมถึงสงบเพราะเราไม่ไปเป็นจฝองอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเราใช้สิ่งทางไหนแถวนี้ได้ตามสบาย ชวยโถโอชานที่มีในบ้านในช่องของเราโตเก้าอีอะไรที่มันมีอยู่นั้นก็ไม่ใช่ของเราเราเราใช้ไปเพื่อไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแต่เราใช้อันนั้นตามสบายใจโดยที่ไม่ทองทุกข์ใช่โดยผู้มีปัญญารอบครอบให้ยูเหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้รู้เหนือสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ถาไปอยู่เหนือเสียงทั้งหลายล่านั้นเราก็แบกมันโดยอุปท า, านว่าอันนี้ของเราอันนี้เราด้วยไปอันนี้เสนะมันเป็นมิชาชาทิฏฐิใ้ความเห็นที่เกิดขึ้นมาเพราะ้เราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรผิดหวังอันนั้นเธอจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้แก่จึงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตามปรารถนาของเรามิฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรัสอน พุทธบริษัทเราทาั้งหลายเพื่อให้พ้นจากวัตตะสงสารทุกทุกคนแต่ว่าเราสัตว์คู่ที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบนั้นก็คิดไปอย่างนึงที่ฟังธรรมะแล้วอะไรก็มาใจของตนอะไรก็มาใจ่ของตนทั้งนั้นกลัวจะไม่ได้ก็ไม่สบายใจในความเป็นจริงนั่นที่เดียวของตนหรือของตนน่ะ ตนหรือของตนนั้นเป็นได้แต่ว่ามันเป็นของสมมุติแต่ว่ามันม่เป็นมีมุิเราต้องเรียนรู้มันซะทุกอย่าง่ะมันเป็นของสมมุติเช่นตัวของเราเนี่ยนะตัวของเราเนี่ยชื่อเราเนี่นะไม่มีชื่อมาตั้งเมื่อวันเราเกิดนะเกิดมาแล้วมาตั้งชื่อใหม่ชื่อเก่านั้นไม่มีเพราะมันไม่มี ทำไมมันตึ้งไป ม, มีมันว่างอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่ไหนมันว่างก็เอาอะไรไปวางตรงนั้นก็ได้เออเอาไปวางไว้ตรงที่มันบางว่างเพราะว่าศาสตร์เกิดมามันว่างไม่มีชื่อแล้ว่าตั้งชื่อให้มันเชี่ยชื่อใหม่เนี่ยเอาไปใส่ใหม่เดี๋ยสมมุติขึ้นมาเป็นนายกนายขอนายคอนายงอนี่ชื่อใหม่สมมุติที่ตรงนั้น ทำไมริงสมมติมันเพราะตรงนั้นมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรริงสมมติว่าให้มันเป็นนายกนายขอสิ้น่ะนายกนายขอนั่นจิงถูกสมมติขึ้นมาไม่ใช่ในายกจริงนายขจริงเป็นนายสมมตินายขสมมติมันไม่ใช่วิมุตถ้าไปถามถึงแล้วจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเป็นสภาวธรรม เท่าน well so no. ั้นเกิดแล้วม e ึงรับไปนับไปแล้วเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วมัึงรับไปเกิดเกิดรับๆับอยู่เช่นนั้นสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเรานําเอาอันนี้ไปพิจารณาเราจะได้เห็นตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนจริงๆอืงท่านสอนจริงๆเิงฉะนั้นเราจึงเอาเรื่องอันนี้ไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงมันเช่นนั้นแล้วนะ ไม่ใช่ว่าเราจะทุกข์ไม่ใช่ว่าเราจะจนลงไปเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่เราอันนี้ไม่ใช่ของเราเช่นเนี้ยยิ่งสบายกว่าเก่ายิ่งสบายใช่ของนั้นอย่างสบายสบาย น, นะบางคนจะถ้าคิดเช่นนั้นเนี่ยว่าไม่ไม่อยากจะทำการงานอะไรทำแล้วก็ไม่ใช่ของเรานะไอ้ควันเบิกยิ่ง ไอคนที่ทำอะไรวาใช่ของเรานน่ะนี่นคนนั่นมันเป็นทุกข์มากมันเป็นทุกข์มากทีเดียวแหละเมื่อเราทาไปทาไปทาไปอยู่ก็เห็นว่าอันนี้ทำไปเพื่อการกระทำแต่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำไปด้วยวางไปด้วยละไปด้วยนี่ตามความเป็นจริงของมันเช่นั้นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในความเห็นชอบ มีอะไรรู้สิ่งทั้งหลายตอนตามเป็นกิ่งของมันเสียเออเห็นนั้นออันนี้เรียกว่าเป็นของสมมุติรู้จักสมมุติแล้วเราก็สบายใจกันเรื่องสมมุติคือสมมุติที่มันเป็นขึ้นมาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรากันว่าไอ้ที่ตรงนั้นนะมันว่างท่านสอนพระโมคคราชท่านสอนว่าพระโมคคราช ท่านจงมองดูโรคอันนี้ให้เป็นของว่างนี่อย่างนี้คนก็ตกใจนะมองดูโรคที่ให้มันเป็นของว่างมัจุราชจะตามไม่ทันจะมองไม่เห็นตัวเรานี่ท่านสอนท่านสอนพระมองเห็นเป็นของว่างคำที่ว่าเรามองเห็นเป็นของว่างนั้นเห็นว่าจะมันไม่มีอะไร มองดูกระโถนนี่มันกระโถนมันก็มีอยู่มองดูถ้วยดูจานนี่มันก็มีถ้วยมีจานอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันมีอยู่ในที่ว่างๆมันเป็นของว่างจะถามกระโถนใบนี้หรือว่าแกเป็นอะไรมันก็ไม่ตอบเราก็มันก็ไม่เป็นอะไรนะจะเรียกว่ามันเป็นกระโถนก็ได้ก็เราสมมุติมัน หรืเราจะเรียกว่าหม้อก็ได้พอเราไปส ม, มุนติมันขึ้นมาไอ้ตัวกิงของมันนั่นมันมันไม่มีอะไรเราขับไปยึดมันยึดมั่นหรือถือมั่นมันยกตัวอย่างเช่นว่านะคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นคนฉลาดมากกลุ่มหนึ่งเป็นคนโง่ไปซื้อของในตลาดมาไอ้คนกลุ่มกลุ่มที่โงไ่ไปรู้จักไงก็ไปซื้อเอาหม้อมูดมา นะ ห, มหม้อมูดเอามาก็มาตักข้าวหมูใส่กินกันสบายนะนเก็ไม่รู้เรื่องไอ้ทียคนฉลาดมาก็มาเห็นนี่มันทําอะไรกันเนี่ยนะมันหน้ารังเปรียดเนี่ยมีหม้อมูดเนี่ยมันเอาไปเป็นหม้อข้าวไงกันเนี่ยหน้ารังเปรียดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่กลุ่มหนึ่งเป็นคนโง่กลุ่มหนึ่งเป็นคนฉลาดทําไมถึงจะดันเปรียดมันเล่าหม้อมูดนั่นกใ็ใหม่ๆ ไม่ได้ไปทําอะไรก็เหมือนหม้อธรรมดาเหล่าเนี้ยมันก็สะอาดอยู่แล้วทําไมใจรังเกยียดปัญญาก็เพราะเร า, เาไปยึดว่ามันเป็นหม้อมูดนั่นเองไอ้ความไปริงมันเป็นหม้อสะอาด ธ, ธรรมดาเหล่านี้แหละนี่เขาไปยึดมั่นถือมั่นมันจะเกิดทุกข์มาเกิดระเกียดขึ้นมาแล้วก็ไปเห็นคนนั่นเออไอ้นี่มันโง่นะ่ะอันนี้มันเป็นหม้อมูดเขาเนี่ยอืมเอามาตักข้าวจะทําไมล่ะ ไอ้คนสองคนเดียกว่าคนไหนฉลาดคนไหนโง่งนะอันนี้เรียวกว่าวัตถุมอโมโดมันก็ไม่รู้จักมันม้อธรรมรามันก็ไม่รู้จักมันเราก็ไปสมมุติมันขึ้นมาเป็นหมอโมดก็เลยดังเบียดกันอือเอาไปใส่แกงก็ดังเบียดกันเอาไปใส่ข้าวก็ดังเบียดกันทุกอย่างนี่ใครดังเบียดใครนี่เพราะเราเห็นผิดติดสมมุติถ้าเป็นหมอโมดก็ือเป็นมอโมดจริงๆ ไม่ใช่อย่างนั้นนะเมื่อพูดไปถึงความเป็นจริงแล้วนะมันเสมอการวัตถุสองอย่างนี้แล้วแต่เราจะใช้มันเถอะเมื่อมันสะอาดอยู่เราก็ใช้มันไปเอาไปทำอะไรก็ได้เรื่องของมันเป็นอย่างนั้นถ้ารรู้ตามเป็นจริงมันแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้ไปเป็นเจ้าของอะไรมีหม้อมูดมาก็ใช้มันได้มีหม้อธรรมดาก็ใช้มันได้สบายอันนี้เรียกว่ารู้รู้ตามเป็นจริงของมันแล้ว เช่นว่ากระโถนใบนี้เราก็เรียกมันขึ้นว่ามาเป็นกระโถนนะแต่ความเป็นจริงมันไม่รู้มันเป็นอะไรจะเรียกมันวมาถ้วยก็ได้จะเรียกมันมาหม้อก็ไ ด, นมมได้นี่เรียกว่าสมมุติเอาความสมมุติเช่นนี้เราคนนามาติดสมมุติเช่นนี้เองจึงเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันจะเกิดติดสมมุติสมมุติว่าตัวตนสมมุติว่าตนสมมุติว่าของของตนอันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านว่าเป็นภาษาโลก สมมติเพื่อให้รู้จักกันเท่านั้นเองอย่างคนเกิดมาก็เป็นคนธรรมดากัานนีน่แต่มันสมมุติกันเหมนายกนายขอนายคอนายงอขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้มันใช้ในภาษานั่นรู้จักกันอืจะเรียกว่านายกนะ่ะคนนั้นมันก็มาจจะเรียกว่านายขอคนนั้นมันก็มาเพื่อให้มันสะดวกแก่การเรียกการใช้ในโลกเขาเท่านั้นเองเมื่อรวมกลุ่มเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรหมด ทุกสิ่งทุกอย่างรวมตรงนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าคนนั้นถึงว่าให้พูดอย่างใจอย่างเขาเรียกว่ า, าโะโถนก็เรียกกับเขาได้เขาเรียกว่าม่อมอูมดก็เรียกกับได้นี่แต่พูดอย่างใจอย่างคือพูดปรับตัวเขาหมายถึงกับโรคเขาเสมอกับโรคเขาความเป็นอยู่ในโรคอนันนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าในสาวกของท่านทั้งหลายนั้นท่านก็มีความเป็นอยู่กับประชาชนทั้งหลาย กับอันตาพานทั้งหลายกับโจรทั้งหลายกับคนธรรมดาทั้งหลายเนี่ยท่านก็ปรับตัวเขาอยู่ได้เพราะท่านรู้จักสมมุติเพราะท่านรู้จักวิมุติรู้จักความเป็นจริงมันเช่นนั้นเมื่อเรารู้จักเช่นนั้นใจเราก็สบายสงบอสงบไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นธรรมราคมันเรารู้จักว่าอันนี้เป็นสมมติอันนั่นเป็นวิมุติรู้ตามเป็นจริงแล้วตอนนี้ละ่ะ ใจก็ไม่วุ่นวายจิตใจมันหูว่างฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอนาตจงให้ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะมันเป็นยังไงธรรมะคือของสุดทิงทุกอย่างที่เรียกว่าธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีในโลกอันนี้เนี่ยทุกอย่างจะมองเห็นโดยตาก็เป็นธรรมะจะได้ยินด้วยหูก็เป็นธรรมะจะได้กินด้วยจมูกก็เป็นธรรมะ มันเป็นธรรมชาตปรมดเพ ร, พรมมาะว่าธรรมชาตแปลว่าสภาพที่ทรงตัวมันอยู่อย่างนั้นเออมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเช่นนั้นมันไม่ต้องการอะไรไกลของมันนั่งันมันเป็นของมันอยู่อย่างั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปกับมือน้อมกมาถึงกายในใจของเรานี่เองมันอยู่อื่นไกลไอ้ความดีทั้งหลายความชอบทั้งหลายการปฏิบัติทั้งหลายนะ่ยมันอยู่ทิ่กายกับใจของเราไม่ใช่เป็นเป็นของมาก กายนี้อย่างหนึ่งใจนี้อย่างหนึ่งเดียวนี้สิ่งสองสิ่งนี้ก็อยู่พร้อมกันเรียกว่าเรามีอยู่เรื่องกายเรื่องจิตที่มีอยู่แล้วก็คือข้อปฏิบัติปฏิบัติเทนี่ปฏิบัติกายกับจิตเดียวเทนี้รูปกันเทนี่มีของสองอย่างตัว น, นี้เองถ้าท่านพูดตามประสูนย์ประพิษดานไปร้ายอย่างไร้เป็นการเมื่อสาหรตรงแล้วเห็นมันทำรูปประธรรมเป็นรูปปรธรรมเป็นนามประธรรม สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาของเรานเรียกว่ารูปอันนี้ก็มีอยู่เราก็เห็นมันอยู่แต่มันเกิดแล้วแก่เก็บตายอย่างทุกคนก็เป็นมาอย่างนั้นจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันมันก็เกิดมาแล้วมันก็ดับไปกายกับจิตทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ารูปกนามนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เนนนอนของไม่จริงไม่จัง พวกเราทั้งหลายก็อยู่อาศัยทำทั้งสองประการนี้คือรูปกับนาพระพุทธเจ้าส อ, สอนว่าอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันเลยของที่มันไม่จริงไม่จังเราจะไปเอาจริงเอาจังกับมันเช่นนั้นไม่ไดม้มีแล้วก็หาไม่เกิดแล้วมันก็หายไปมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่ามันไม่จริงไอ้ความจริงมันอยู่ที่ไหนไอ้ความจริงก็คือมันเป็นอยู่อย่างนั้นเอง มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้คือความจริงมันแปรมันปวนเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนีท่านเรียกว่าอันนั้นเหละเป็นธรรมะที่มีอยู่ในกายในใจของเราทุกวันนี้เมื่อเราสร้างคนงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เพื่อให้เรามุ่งเข้าไปเห็นธรรมนี้ตามความเป็นจริง เห็นเป็นจริงเห็นยังไงเห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงเห็นว่าอันนี้มันเป็นทุกข์เห็นว่าอันนี้มันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ม, มันถึงเป็นของมันอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องอนนี้จังเราก็ไปยึดมั่นหมายมั่นมันมันก็เปลี่ยนไปเราก็ทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้มีฉชนั้นตน่าฑ์ยังสอนโอปนาโยโกให้น้อมเข้ามาอย่าน้อมออกไปน้อมทำเข้ามาหาใจเรา น้อมใจกับไปหาธรรมรูดูธรรม ท, ทั้งหลายอยู่จิตใจของเจ้าของเห็นจิตใจก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นจิตใจสิ่งสองสิ่งนี้มันรวมกันอยู่เท่านั้นเองเราหลงสิ่งสองสิ่งนี้เท่านั้นเองซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้ไอ้ที่ความไม่สงบนั้นก็ดีว่ามันเป็นเฉพาะความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองเออไม่ใช่มีอะไรไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไร เกิดได้มันก็หายไปเช่นนั้นฉะนั้นองค์สมบิตรพระสมาสมาสำคุธเจ้าของเราให้สร้างประโยชน์ให้เราพากันสร้างประโยชน์ปัจจุบันอ น, นี้อย่าไปรอไว้ว่าพรุ่งนี้เดืเอนปรินี้อรีตปัจจุบันอนาคตมันรวมอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันที่เราอยู่กันนี้ก็คือผลของอดีตนี่ อริยก็คือสิ่งนั้นมันเป็นเหตุของปัจจุบันเมื่อถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นผลเมื่อปัจจุบันเป็นผลนี้ปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลนทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอันนี้ได้เป็นบีบากเกิดจากการกระทําดีกระทําชั่วเกิดการกระทําดีกัะชั่วเรียกว่าบีบาสฉะนั้นวิบากทั้งหลาย อดีตก็ดีอานาคตก็มารวมอยู่ที่ปัจจุบันเรานั่งอย่านียทำเสียเมื่อเรามีอยู่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้รีบทำท่านบอกวะ่าอย่าไปห่วงอานาคตเลยอย่าไปห่วงอดีตเลยทาไมท่านถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นผลของอดีตอยู่แล้วที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเหตุของอานาคตอยู่แล้ว เมื่อเราอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็เรียกว่าไอ้ออดีตอนาคตมารวมอยู่จุดอันเดียวคือปัจจุบันฉะนั้นมาทําปัจจุบันนี้ให้มันเป็นปัจจุบันนนนี้ปฏิบัติเห็นทำในปัจจุบันว่าวันนี้เราทําอะไรว่าเดี๋ยวนี้เราคิดอะไรเนี่ยจิตของเราวันนี้พุกไหมสุกไหมเป็นอะไรไหมก็เห็นในปัจจุบันนี้ไม่ต้องตามไปถึงอดีตแล้ว ไม่ต้องตามไปถึงอนาคตแล้วเพราะเหตุมันอยู่ตรงนี้ผลมันก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านถึงสอนเมื่อกาตรูุทําใหม่ๆได้ถกธรรมเทศเป็นปฐมมโพธิการท่านเทศเรื่องการมาสุขานิการนิโยโภอัตตะยยรมาฐานิโยโภสองประการตอนนี้เองสองประการเทเนี้ยการมาสุนิการนโยโภคือความสุข ติดในความรักติดในความสุขติดในความสบายจมลงไปลึกมันลึกไม่ค่อยจะเห็นพิ้งยากลึกเกินเนี่ยไอ้ความสบายไอ้ความสุขความรึกเนี่ยเป็นกิเลสส่วนหนึ่งที่คนมองไม่เห็นและบุคคลเราก็ปรารถนาด้วยในเรื่องการเรื่องสุขสบายมันจมลงไปในพื้นไ ม, ไม่ค่อยเห็นเนื้อเห็นตัวติดความสบายแลย้วเนี่ย อันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ บ, บอกว่าเป็นการมาชุก ข, ขันิการโยโคถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความสงบเมื่อเห็นเช่นนี้ให้ระวังเหมือนกับเห็นทางโคง้งจะได้มองเห็นป้ายก็ตันทีว่า น, นี้โคง้งโค้งอันตรายนะเห็นไหมเราเรานั่งรถไปเห็นทา ง, งโคง้งเห็นไห ม, ไหมถ้านโค้งอันตรายโซฟ์ต้องระวัง โค้องอันตรายนะสุขนีถ้าคนจมในความสุขนั้นน่ะโอ้ยมันสบายมันจมลงไปรึกไม่ค่อยเห็นเนื้อเห็นตัวเลยไม่ค่อยเห็นว่ามันผิดไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นทางโค้งไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นอันตรายไอความรักหรือความสุขนั่นแหละอันนี้ประการอันหนึ่งประการที่สองท่านพูดถึงความทุกข์ เีความไม่ชอบหรือพูดถึงความโกรธสักว่านะีอันนี้ก็เป็นโครงเหมือนกันโครงอันตรายเหมือนกันอันนี้คนไม่ชอบเป็นกิเลสอันนี้แต่คนไม่ชอบทุกไม่ชอบมันเป็นอั ต, ตยกรรมฐานโยโคไม่ชอบแต่สุขนี่ชอบทุกไม่ชอบสุข ฉันจึงชอบไอ้ความเป็นจริงนั้นนะ่ะสุขหรือทุกเนี่ยนะมันมีโทษเท่าๆกันนะมันมีโทษเท่าๆกันมีคุณค่าเท่าๆกันแต่ว่าสุขนั้นน่ะมันเข้าข้างเราไอ้ความรักให้มันเข้าข้างเราไอ้ความียันนั่นมันไม่เข้ามันอยู่ข้างนอกมันหยาบเดเกินมองเห็นอย่างง่าย เมื่อเกิดขึ้นมาเเราต้องม่ใจดีดีใจไม่ได้ความดีใจนั่นแหละเราพากันแสเบงกันแสเบงหาความดีดีใจดีใจก็เป็นกิเลสอย่างยิ่งเหมือนกันนะเหมือนกันกันกบความที่ไม่ดีธรรมะแท้จริงนั่นน่ะพระพุทธเจ้าตรัณให้มหาไม่ให้ยิน ด, ดียินร้ายไม่ให้ยิน ด, ดียินร้ายเราประพฤติปฏิบัติ ทำยังไงมันจะถูกต้องการมาสุขันนีกาโกรกาโยโคอัตตากิริพัทธาโยโคเราเห็นสองข้างเสมอเลยเดียวสุขเกิดมาอยากรู้อย่างทุกเกิดมาเรารูสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติให้เป็นสัมมาปฏิปทาของจิตเมื่อเห็นความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้รู้โทษของมันเลยอย่าเป็นจิตมันเลย อย่าไปหมายมั่นมันเลยอย่าไปมืดมันอย่าไปยึดมันมั่นหมายมันเลยให้เห็นว่าสุขนี่กษัตริย์วัตถุสุเสขเท่านั้นมันก็หายไปทุกเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันให้รู้ว่าจะาว่าคือทุกเนี้ยก็ศัตดิ์ว่าถุทุกเท่านั้นไม่ใช่สัวตว์บุคคลตัวตนเราเขาโดยสักวเป็นทุกทางซ้ายท่านก็มาให้ไปทางขวาท่านก็มาให้ไปให้ท่านตรงแน่นอนไปเลยทุกไปข้างนี้สุขไปข้างนี้ นี่เป็นสัมาปฏิปทาของจิตถ้าเราประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตจะเป็นเช่นเนี้จิตนะมันผิดจากทางเราก็รู้จักเมื่อมีความรักเกิดขึ้นมามันจะไปยึดมัน่นเราก็บอกมันเอออันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะ่สิ่งที่ใดเราเราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์เราก็เตือนจิตนะว่าเอออันนี้ก็อันตรายเหมือนกันที่ไหนที่ไม่เป็นนตรายอยู่ที่ไหน พี่มันไม่สุขไม่ทุกนั่นแหละไม่เข้าข้างสุขไม่เข้าข้างทุกนั่นเองตรงนั้นเป็นสัมมาปฏิปทาของพระอริยเจ้าทั้งหลายตเดินไปนั่นนั่นเียกว่าเป็นปฏิปทาพอดีพอดีนี่เราถูกต้องแล้วเราต้องรูจักธรรมะก่อนอันนี้พระพุทธเจ้าองเราท่านยำเรื่อเกินเพราะท่านติดมาหลายภพหลายชาติแล้ว ท่านก็นึกว่าสุขกันดีท่านก็เอาที่สุขแะไรทุกท่านก็ไม่เอาตรงนั้นเนี่ยท่านเข้าใจว่ามันดีแล้วไอ้ความปีกยิงสุขแล้วมันเปลี่ยนก็มันได้มันก็ไม่แน่เหมือนกันดีดีนี่ก็เหมือนกันอีพฤติดีเมื่อได้ดีแล้วให้อยู่เหนือมันนะอย่าไปอยู่ใต้มันให้รู้จักดีถ้าไม่รู้จักดีมันก็ไม่ดีอีกแล้วมันเป็นเช่นนั้นเช่นั้นจึงว่าธรรมะเนี้ยมันอยู่ที่จิตใจของเราผู้ที่มีปัญญามองเห็นได้ง่ายๆ เห็นที่กายที่จิตของเจ้าของนี่เองมันจะหลอกลวงอยู่เราอยู่กับทั้งวันกับทั้งคืนนั่นแหละไม่ใช่อื่นหรอกอันเดียวอันเก่านี่แหละเห็นมันเปลี่ยนไปมาอยู่เสมอเลยทีเดียวฉะนั้นพวกเราเราท่านไร้แห่งปัญญามมองมองตามธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมมากสพุทัยเจ้าของเราอันนี้อยู่ถ้าเรามีความรู้อยู่เราก็เห็นอยู่เห็นอยู่ก็รู้อยู่ฉะนั้ น, นจริงๆว่าภาวานาให้ดียวยก ลมหายใจขึ้นมาสู่จิตแล้วเดี๋ยวว่าพุทโธพุทโพุทโธคำว่าพุทโธเนี่ยไม่ใช่รู้แต่ลมอย่างเดียวเท่านั้นนะพุทโธนี่มันคว้างไปหมดทุกอย่างล่ะรู้ทางที่ผิดรู้ทางที่ถูกทั้งหมดน่ะไม่ใช่ว่าพุทโธพุทโบางคนจะเข้าใจว่าภาวนาพุทโธพุทโธน่ยจะเอาคุณงามคนนี้ในอารมณ์เช่นนี้คำที่ว่าพุทโธนี่ทําให้เป็นอารมณ์อันเดียว จิตมันฟุ้งซ่านดำคาญเอาอารมณ์เนี่ยเป็นหลักเอารมนี่เป็นหลักไว้ เ, เพื่อจิตคนนี้ยับยัง้งให้เห็นอยู่ในพุทธโธอันนี้เท่านั้นเองพุทธโธนี่รู้สพัพพัสารพัดทุกอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าคนนีตรัสมาทันยอ่อเป็นคำพูดอันนี้ว่าเป็นพุทธโธพุทธโธบางคนจะไปภาวนาพุทธโธไว้ไม่เห็นได้แต่ได้บางทีก็ง่วงนอนเชซ้ำนะไม่เห็นผลประโยชน์มัน พูดโทรแสดแปลว่าผู้รู้หรือผู้ตื่นก็เรื่องจิตใจเรานี้เองเป็นผู้รู้แลือก็เป็นผู้ตื่นมเมื่อกิจเราสงบทําจิตสงบเทีเยวสมถะภาวนานะสมถะภาวนาวิปัชนาภาวน า, า, วนาในครั้งพระพุทธเจ้าของเรารู้ไม่ค่อยมีมีแต่ว่าท่านประพฤติหรือปฏิบัติธรรมเท่านั้นบนรรลุศึ่งธรรมะปฏิบัติธรรม บัดนี้เรามาแยกกัสมถะวิปัสนาบางคนก็เข้าใจแยกกันออกฉันจะทําสมถะซะก่อนอีกปีสองปีท่านจะทํำวิปัสนาไอความเป็นจริงสิ่งสองสิ่งนี้มันแยกกันไม่ได้ฮะมันแยกไม่ได้การกำลังของสมถะคือความสงบอย่างเราอยู่บ้านมันวุ่นวายออกมาอยู่ป่าจะมันไกลลู่ รายเสียงติ่นลถนั่นเงี้ยจีเด็มันก็มีอยู่แต่มันห่างหน่อยมาอยู่ที่นี่มันสงบเพราะไม่เคยได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นอยู่ไปนานๆไปมันก็สงบมสงบชั่วคราวนี่เรียว่าสมถะคือมาหลบอารมณ์อยู่แต่ว่าเมื่ออารมณ์มันมากระทบก็ไม่สบายอีกแล้วเท่านี้กําลังเขาเนี้ยก่อนอื่นสมถานี่เป็นบทบาทครั้งแรกมัน จะต้องมาพักผ่อนจะต้องมาให้มันสงบเป็นบทบาทของมันครั้งแรกเท่านั้นเองต่อไปนั้นไอ้ความสงบในที่นี้มันไม่ใช่เป็นของสงบที่แท้จริงสงบที่แท้จริงคือความรู้เกิดขึ้นมาจากความสงบอันนั้นรู้แจ้งต่างสิ่งทางหลายต่างพวงรู้เท่ารู้ถึงถ้าเรารู้ไม่ถึงมันก็ไม่สบายมันก็เป็นสมถะถ้ามันรู้ถึง มันก็สบายมันก็จะเช่นกระโถนใบนี่ยเราทุกคนก็เรียกว่ากระโถนกันทั้งนั้นละรู้แต่มันมันรู้ไม่ถึงอถ้าไปบ้านอื่นเขาเรียกว่าหม้อเราก็จะไปว่าเขายิ่งละนะเรียกว่าหม้อเขาเรียกว่าหม้อกันเราก็จะมันสบายใจนะไอ้ความเป็นจริงนั่นคือเรารู้ไม่ถึงมันไม่รู้กรรู้ไม่ถึงกระโถน ถ้ารู้ถึงมันนะเขาจะเรียกว่ากระโถนแล้วก็สบายเขาจะเรียกว่าหม้อแล้วก็สบายเพราะวัตถุอันนี้ไม่มีกระโถนในที่นี่ไม่มีหม้อในที่นี้มันจะเกิดเป็นกระโถนขึ้นมาแล้วก็สมมุติเอาว่าเป็นกระโถนมันจะเกิดหม้อขึ้นมาแล้วก็สมมติโดนว่าหม้อแต่แล้วทางเป็นความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่าหม้อก็เขาก็ได้เรียกว่ากระโถนก็เขาก็ได้ถ้าเรารู้ตามเป็นจริงนะรู้ถึงที่รู้แลยเขาจะเรียกอะไรก็สบายใจอยู่ มันเปลี่ยนเช่นนั้นอารมณ์ทางหลายทางพวงเช่นนั้นเมื่อเราดืมตาขึ้นมาแล้วจิตสงบทําไมมันถึงสงบมันรู้ตามเป็นจริงของมันเหมือนกับบุคคลเจรรู้กระโถนใบนี้ให้ถึงกระโถนถ้าคนรู้ถึงกระโถนเนี่ยไม่มีอะไรก็จะเรียกว่าถ้วยก็ได้ก็จะเรียกว่าหม้อก็ได้ก็จะเรียกว่ากระโถนอะไรใจก็ยังสบายอยู่เพราะมันรู้ถึงกระโถนเช่นนั้นชั้นใดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าเรารู้ธรรมะ ในรูปอันนี้ในนามอันนี้ตามเป็นจริงแล้วเช่นนั้นเราก็จะประกันมีความสบายสงบอยู่จากอันนี้สักการยะติทิวิกิกิจฉาศิลปตาประมาตอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้สงสัยแล้วในสมมุติอันนี้ในขันก้อนนี้ในกองอันนี้ในรูปอันนี้ในนามอั น, นี้ไม่สงสัยแล้วไม่ยึด ถือเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเห็นตามเป็นจริงแล้วชีรพตาพประมาทรูปคำก็ไม่รูปคำใ้ความรู้สึกมนคิดอันนี้อันนี้เป็นกิเลสอย่างหนึ่งถ้ามันหายออกจากใจของบุคคลเหล่านั้นก็เปลี่ยนทันทีเลยว่าเป็นอริยสกิร์ตนายู่เนื้อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้คือผลเกิดจากการประพฤติปฏิบัติให้รู้ตามเป็นจริงเรียกว่าปัญญามิฉะนั้นญาติโยมเราทั้งหลายก็ค่อยๆทําไป คยก้อยทำไปทำสมถธามันเป็นอยู่ในนี้แหละมีปรัสนามันก็เป็นอยู่ในนี้แหละแยกกันไม่ได้หรอกแต่พูดแยกกันได้แต่ไอตัวมันแยกกันไม่ได้มันแยกกันเช่นว่ามะม่วงใบหนึ่งมันจะแยกมันออกไม่ได้มันยังเล็กอยู่มันยังเล็กอยู่แล้วมันก็โตขึ้นมา และมันทังมันสุกมันแยกกันไม่ได้เมื่อมันมีเล็กมันก็มันมีโตเมื่อมีโตมันก็มันมีเล็กมะม่วงใบเดียวมันเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเช่นนั้นอ่ะมันเปลี่ยนไปจนกว่ามันจะสุกกับมะม่วงใบเดียวอันนั้นเนี่ยมันจะแยกมันไม่ได้ครับจะแยกสุกๆบิบๆมันไม่ได้อะมะม่วงใบนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละเอนี่เราจะได้เห็นว่าในระยะหนึ่งนะมันจะเปรี้ยวนี่ ในระยะต่อมามันสุกมันจะหวานไอ้เปรี้ยวมันไปไหนล่ะนะมันก็มาเป็นหวานนั่นแหละเปลือกมันก็เขียวเมื่อมันสุกแล้วมันก็เหลืองไอ้เขียวมันไปไหนล่ะมันก็มาเป็นเหลืองนั่นเลยมันไม่เป็นอะไรหรอกมันแยกกันไม่ได้ฉันใดกัฉันนั่นเหมือนกันธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราให้ประพฤติปฏิบัติมันติดกันมันคิดกันจนเราแยกไม่ออก ฉะนั้นเกลียดทั้งหลายมันก็เกิดจากที่นี่เองจะทําจิตใจของเราไม่สบายเพราะเราไม่รู้รูปอันนี้ขันอันนี้ก้อนก้อนอันนี้กองอันนี้ตามเป็นจริงถ้าเรามีความสบายแล้วมันเป็นสมาทิฏฐิมันรู้รูปอันนี้ตามเป็นจริงรู้นามอันนี้ตามเป็นจริงรู้ก้อนอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็วางนะมันก็วังฉะนั้นเมื่อวางแล้วมันมีความรู้อยู่รอบๆอยู่ มันระวังมันอยู่เร e, um> um> ื่อยๆไปเรื่อยๆไปอันตรายมันรู้จักความสุขเกิดขึ้นมามันก็รู้ไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมามันก็รู้ไอ้ความดีใจเกิดขึ้นมามันก็รู้ความเสียใจเกิดขึ้นมามันก็รู้รู้อะไรรู้ว่าอันนี้มันเป็นอันตรายมันก็ไม่กลับไปใกล้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นตามอจุเป็นเป็นตามอจุคันดีคันดีโยโกอัตตะกิระปถานโยโกทันสองประการนี้ เป็นธรรมอันสมณะผู้ทําความโศอย่ปุ่นแเข้าไปเลยเป็นธรรมของชาวว่านไม่ใช่เป็นธรรมของสมณะสมณะคือใครสมณะคือจิตผู้ต้องการให้จิตสงบนั้นให้รู้สิ่งทั้งสองนี้ไม่ใช่ว่าสมณนะเหมือนอัตมาบวชอยู่เนี่ยนะสมณะอันนั้นคือจิตถ้าจะทําจิตของเราให้สงบแล้ว อย่าไปวิ่งตามความสุขอันนั้นอย่าไปวิ่งตามความทุกข์อันนั้นอย่าไปวิ่งตามความดีใจอันนั้นอย่าไปวิ่งตามความเสียใจอันนั้นให้เป็นผู้มีปัญญารอบรู้อยู่เสมอว่าสุขนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงทุกข์นี้ก็เป็นของไม่เที่ยงไอ้ความดีใจนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงไอ้ความเสียใจนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ให้เราเห็นอยู่เช่นนี้เอง ไม่ตามไปหาใครทั้งนั้นไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละธรรมะนี่เดินตรงไปชนนี้บุคคล น, นั้นจะสงบนะผู้ตามไปตามความสุขนั้นแหละคนนั้นจะทุกข์นะผู้วิ่งไปตามความทุกข์นั่นแหละคนนั้นก็จะทุกข์<ด>นี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ไปครึ่งๆชนนี้เป็นสัมมาปฏิปปิทาพูดเรื่องจิตนะไม่ใช่พูดเรื่องอื่นพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของร่างกาย ไม่ใช่เรื่องของเนื้อหนังมันเรื่องของจิต ม, มันเรื่องของจิตเราจะต้องมาพิจารณาซึ่งจิตเพราะจิตนี่มันเป็นเหตุทั้งหมดเลยทีเดียวหลยเราจะได้เห็นสุขมันเกิดมาจากจิตมันเป็นผู้รู้เลยทีเดียวทุกข์ว่ามันเกิดมาใครรู้จิตมันเป็นคนรู้มันเป็นคนรับทุกข์ส่วนอยู่ในนีนะ้ถ้าเรามาตามดูจิตของเราแล้วนะอ่ามันจะเห็นจิตของเราดู่อนที่สูตรทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงตามดูจิตของตนผู้ได้ตามดูจิตของตนผูนั่นจะพ้นจากวงของมารพะเราทําจิตของเราตามดูจิตของเรา <c oughs> เพราะจิตเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับเห็น <c oughs> เป็นผู้รับเอาความสุขความทุกข์ถ้าเราตามดูจิตของเราอยู่เรกาก็ไม่เป็นคนอนถาเท่านั้นนะ่ะเป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์ถึงนั้นแหละมีความรู้อยู่มีความเห็นอยู่มีความเป็นอยู่อย่างนั้น จะยืนก็าตามจะเดินก็าตามจะนั่งก็าตามจะนอนก็าตามรู้อยู่อย่างนั้นเองมันเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วกิเลสทั้งหลายจะได้มา อ, อยู่ในจิตใจแปรในใจให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเหลือเกินมันไม่เป็นไปเพราะความรู้เพราะผู้รู้ผู้ตื่นเห็นอยู่รู้อยู่ ทางการยืนการเดินการนั่งการนอนเช่นนั้นเป็นต้นอันนี้คือผลที่เราประพ็ญปฏิบัติในถึงความสงบระงับวันนี้ญาติโยมเราทั้งหลายนะที่ได้มาบําเพ็ญการบริจาคสมทานสื่งศิลป์ได้ฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ทั้งสประการนีรวมเข้ากันเป็นกลุ่มมันเดียวกัน เพื่อจะทำกิจของญาติโยมทั้งหลายให้รวมเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อรวมเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วไม่วันใดก็ไม่วันหนึ่งมันถึงที่สุดทุกจริงๆฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนในถึงความสงบในความสงบนี้มันเลิศจุดหมายแล้วมันเป็นฉะนั้นฉะนั้นวันนี้เวลาที่ญาติโยมทั้งหลาย ที่ได้มานั่งฟังธรรมนี้เวลาเนี้มันก็เวลาของโยมมันจะน้อยแต่เวลาของของเวลานะ่ะมันมากหรอกอจะได้เหนื่อยกันนะมอ้งทีนี้ก็เอาแต่บะพอสมควรการบรรยายธรรมมาวันนี้ก็ให้น้อมกลับไปเป็นโอปนายกฐธรรมให้ไปเข้าถึงใจของเจ้าของอืให้อยู่ในใจของเรา อย่าไปมองอย่างอื่นให้มองจิตอะไรมันเกิดขึ้นจากอิตมันเป็นอยู่ที่จิตให้มองที่จิตความฉล า, าดเห็นอยู่ที่จิตความโง่เห็นอยู่ที่จิตสุขทุกข์ทั้งหลายตั้งกองเห็นอยู่ตรงนั้นนี่แต่เอโกธรรโมธรรมมีอันเดียวคือจิตอันนี้ฉนฉ่ท่านขอญาติโยมทั้งหลายจงนอ้อมไปเปิดโอปานายโกน้อมธรรมะอันนี้ไว้ในใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนคอยมีความรู้อยู่ เห็นอยู่เป็นอยู่ประพฤติอยู่ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆปฏิบัติจิตตรงไหนปฏิบัติเมื่อทำมันปรากฏขึ้นมาทำมันได้ปรากฏขึ้นมาเมื่อความไม่สบายปรากฏขึ้นมาเมื่อความโกรธปรากฏขึ้นมาเมื่อความโรคปรากฏขึ้นมาอยู่ในรถอยู่บนรถก็ปฏิบัติมันตรงนั้นแหละสอนมันตรงนั้นแหละไม่ใช่ว่าที่ปฏิบัติอยู่วัดน้องประพงศ์ข อ, ะอะจะอํานวยอวยพรให้ญาติโยมกระาย ซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจดีแล้วตั้งเจตนาดีแล้ว ม, มาถวายผ้าป่าในวันนี้ขอส่วนคุณงามความดีอันนี้จงปกปักรักษาญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตธรรมมีจิตนาวันนี้ผลที่สุดนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจนมีส่วนขอแห่งปริพานในอนาคตการทางหน้านโน้น